ตจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมกันพิเศษในชุดความหลงอัตตาจะพาให้หมู่แตกโดยพระท่านสมณะูทธิรักเมื่อวันที่16มีนาคม2548ที่พุทธสถานปฐมโขเขาเชิญท่านติตาเฟังได้นะบัดนี้ ชุมชนของเรานี่ฉลองยี่สิบปีมาแล้วนะปฐมประส์เป็นชุมชนแรกจับกลุ่มจับหมูมาจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ยี่สิบปีนี่ก็ไม่ใช่เวลาน้อยแต่ก็เอาเถอะเป็นชุมชนของพุทธบริษัทหรือเป็นชุมชนของคนอีกพันหนึ่ง เป็นอีกพันใหม่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะก็เป็นเรื่องยากจริงๆแต่ถึงจะยากอย่างไรก็เราก็จะต้องเอาใจใส่ภาคเพียรในระดับหยาบเราจะเห็นได้ว่าชุมชนเราไม่มีเรื่องหยาบเรื่องตั้งแต่อบายมุกนะชุมชนเราไม่มี มันมีแต่คนที่เข้ามาก็คือเด็กเด็กนี่ก็ก็คือเด็กแหละแล้วก็เรายังไม่รู้หรอกว่าเด็กพวกนี้เนี่ยจะมีช้างเผือกกี่ตัวแต่ละปีแต่ละปีเข้ามาเรียนเพิ่มเติมขึ้นยี่สิบสามสิบสี่สิบคนก็แล้วแต่รับเข้ามามันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะมันก็จะได้ไปจริงๆนะก็จะไม่เท่าไหร่นะ ยิ่งตอนนี้เนี่ยอาตมาไม่ได้มีเวลาคลุกกับเด็กเขาเท่าไรและพวกเราก็ช่วยกันก็นกนในระดับระนาบระดับไม่ใช่ว่าระดับที่จะเข้าไปถึงโลกุตตรธรรมเด็กแกก็จะไม่ค่อยได้โลกุตตรธรรมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เป็นอยู่เด็กๆ เ, เขาก็มีอะไรอะไรกันมากมายอย่างปีปีนี้นี่เป็นปีที่รู้สึกเป็นประวัติเลยนะว่าเด็กออกไปมากจริงๆเลย เนี่เกิดจากความไม่เจริญในธรรมของพวกเราระดับหยาบปตมาบอกเลยว่าระดับหยาบมันไม่มีปัญหามากในเรื่องกามหยับหยาบใ น, ในเรื่องโทสะหรืออัตตาหยับหยาบนะพยาบาทหรืออัตตาหยับๆยาบมันไม่มีให้เห็นในในหมในมชนของพวกเรากลุ่มชนของพวกเราเพราะฉัดดีหนะรือกรณีในที่มันจะ เป็นเรื่องหยาบอย่างข้างนอกเขาเดี๋ยวนี้โครมครามเรื่องราวอะไรทัร้งต่างนานานะมันรุนแรงนะแต่ละที่แต่ละแห่งหนักหน า, นาสาหัสแต่ในของเราเนี่ยไม่มีหยาบทว่ามีอย่างละเอียดมีอย่างลึกถ้าเราไม่ภาคเพียรเรียนรู้จริงๆแล้วก็เข้าใจวิธีปฏิบัติจริงๆมันก็ไปไม่รอดเพราะว่ามไม่รู้ง่าย เป็นเรื่องละเอียดโดยเฉพาะมันลึกเข้าไปเป็นเรื่องอัตตาหรือแม้แต่เรื่องกามก็เป็นเรื่องเข้าไปลึกๆเข้าไปหาอารูปราคะอรูปราคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นอนณาคามีนะแต่ว่าเป็นกามราคะที่มันเข้าไปอยู่ภายในเมื่งงใช้เรื่องหยาบแล้วไม่ใช่เรื่องหยาบแล้ว แต่ระนั้นก็ดีในเรื่องกามนี่เรารู้ง่ายกว่าเรื่องอัตตาเนี่ยเรื่องกามเป็นเรื่องซึ่งก็เราก็เรียนมาแล้วธรรมะก็ระดับอัตตราระดับกามเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ากามมันเป็นระดับก่อนอัตตามันเป็นระดับในแม่ที่สุดที่ระดับอนาคามีก็ยังเหลือมานะยังเหลืออัตตาซึ่งเป็นเรื่องสุ ด, สด ป, ลปลายที่เราจะต้องเรียนรู้นะ่ะ โรงงานถ้าบอกว่าเราไม่พยายามเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จริงการเจริญในระดับสูงจะเป็นชุมชนเป็นหมู่ชนที่จะมีความอบอุ่นมีความเนียนลึกมันจะเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนเราสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งพยองมันจะถือตัวถือตนลืมลืมตัวลืม ต, มตนมันไม่ใช่วัตถุนะมันเป็นนามธรรมา มันจะถือดีมานะก็คือถือดีมันมีดีจริงๆเพราะยิ่งดียิ่งเราทำงานได้มากยิ่งเราทำงานได้เก่งได้สูงได้ละเอียดได้อะไรก็แล้วแต่เถอะหมายความว่าเจริญในการที่กระทาในกรรมต่างๆกรรมมันก็จะก่อให้เกิดมานะเกิดถือดีถือตัวยึดติด ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่มันไม่รู้ง่ายๆไม่รู้ง่ายมากเข้ามากเขาก็ลีลาก็าออกหยาบออกกระด้าออกแข็งก็เป็นภาวะเบียนเบียนท่านซึ่งก็คือการเบียนเบียนตนอยู่ในตนด้วยตนก็เลวลงเลวลงได้ดีส่วนหนึ่งได้ดีสิ่งหนึ่งได้ดีสิ่งที่เป็นเรื่องของสมุติสัจจะเราได้ดีในสมุติสัจจะ เราเก่งเราสามารถเราทำงานเก่งเรารู้มากาเราเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เยอะขึ้นอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เป็นด้านสมุติสัจจะทำดีได้เก่งแต่ปรมัตสัจจะคืออัตตาของเรามานะของเราดับสูงขึ้นกลับมากขึ้นและมันก็มาทำลาย มันก็กลับมาซ้อนมาทำลายย้อนออกมาถ้า ม, ามันแรงมันมากขึ้นมันก็ถือดีถือตัวเบ่งอำนาจเผด็จการดีไม่ดีก็หยาบคายทั้งกรรมกิริยาทางกายทางวาจาโดยไม่รู้ตัวเราเองจะไม่รู้ตัวหรอกแต่คนอื่นเขาเห็นแล้วคนอื่นเขารู้แล้วผู้ที่มองข่งมองอยู่คนอื่นเนี่ยจะเห็นง่าย อัตตาจะไม่เห็นตัวเองแต่จะไปเห็นคนอื่นเห็น จ, จริงๆเือเห็นคนอื่นความผิดอยู่ที่คนอื่นหมดเห็นความบกพร่องของคนอื่นหมดอัตตาเนี่ยจัตตามานะเนี่ยความอื่นความผิดของตัวเองไม่เห็นตัวเองไม่เห็นนะมันจะไปเห็นคนอื่นมากฉลาดรู้โดยอย่างนี้เป็นมานะอย่างนี้เป็นอัตตา เล็กๆน้อยๆอย่างโนนนี้ใช่เป็นเลยคนนี้แสดงออกมางี้ใช่แต่ของตัวเองนะหยาบตังเยอะตั้งแยะออกมาแล้วก็ไม่ค่อยรู้ตัวนี่จะต้องพยายามรู้ตัวรู้ตนเราต้องพยายามศึกษาตรงนี้จริงๆถ้าไม่ศึกษาตรงนี้แล้วก็ไม่แก้ไขไปไม่รอดไม่จเจริญตอนนี้เรื่องของชุมชนในระดับประเทศกำลังจะ พยายามกันแล้วเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มมนุษย์ที่จะต้องพยายามภาคเพียนพัฒนากลุ่มอันนี้ขึ้นมาให้ได้นะและเราเนี่ยเป็นกลุ่มชุมชนที่อาตมาภาคภูมิใจมากคนอื่นก็จะไม่เข้าใจอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาไม่รู้ลึกรู้ละเอียดอะไรนะ ดูแต่ว่าชุมชนเขาดูว่าชุมชนก็กลุ่มคนเล็กๆคุบกลุ่มคนไม่ได้มากแมงมายอะไรไม่เยอะแยะอะไรเขาก็จ ะ, ะเห็นแค่นั้นแค่นั้นแหละตัวดีมันไม่มีอบายมุกมันมาก์โน่สันโดก็ดีเขาไม่เห็นคุณค่าว่ามันคําว่าดีนี่มันดีขนาดไหนอาตม า, าไม่ใช่ดีธรรมดามันดียิ่งใหญน่นี่ไม่ได้มองหมายเข า, าอาตมามีอัตา ม, มานะเนี่หลงตัวหลงตนะแต่ว่าอธิบายสัจจะให้ฟัง ทีนี้เข้ามาหาการมีอัตตามีอำมาะในตัวเองเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดในปฐมโศขขณะนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเพราะอัตตา ม, มานะเป็นตัวหลักเกิดการไม่เคยลงตัวคนนั่นคนนี้ก็จะถอยงานจะไม่เอาแล้วอัน น, นู้นจะไม่เอาแล้วอันนี้เนี่ยโรคอัตตา ม, มานะทั้งสิ้นเลย ไม่เข้าหมูกันไม่ได้เข้ากลุ่มก็ไม่ได้รวมตูวก็ไม่ได้ต่างคนต่างก็จะถอนตัวแล้วผู้ใดรู้สึกว่าฉันจะต้องถอนตัวแล้วคนนั้นอัตตามาะขึ้นอาการแรงแล้วอาการหนักและอาการไม่เบาแล้วาการอยู่กับหมูกับกลุ่มฟังตรงนี้ ที่เรายังอยู่ไปนยอยู่ชุมชนของอาริยะเนี่ยหมู่ชนของโลกุตระหรือหมู่ชนอาริยะเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สงบเมื่อใดเกิดการมีเรื่องรามันจะไม่สงบแล้วตอนนี้เอ๊มันเกิดจะรนเรนวมีเรื่องวุ่นวายขึ้นมาแล้วนะพอเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อใดทุกคนต้อง มองตัวเองทันทีไม่ใช่ไปมองคนอื่นผิดมองคนนั้นผิดมองคนนี้ผิดมองคนนั้นผิ ด, มผดไม่ใช่เลยถ้าเมื่อใดเกิดความไม่สงบขึ้นมาแล้วเราไปมองคนอื่นเอ๊ใครนะผิดใครนะเป็นตัวเรื่องรับรองไม่มีวันสงบและไม่มีวันที่จะจัดการอะไรได้สำเร็จเป็นอันขาดขอยืนยันเป็นอันขาดไม่สงบเป็นอันขาด ต้องกลับมามองตัวเองทุกคนและต้องลดตัวเองทุกคนให้ได้ขนาดย้ำอย่างนี้มันยังไม่ค่อยได้หรอกขนาดย้ำอย่างนี้ก็เถอะรับรองว่ามันไม่ค่อยได้หรอกต้องทำให้ได้แล้วความสงบจะเกิดเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดจะ เปลี่ยนแปลงโน่นโนนี่นจะหยุดอันนั้นจะเลิกอันนี้คนนั้นก็จะเลิกไปทํามโนเมตเท่านี้แล้วเนี่ยโรคอัตตาถ้าผู้ใดคิดได้แล้วเลิกจะไปคิดอย่างนั้นเป็นอันขาดถ้าคิดอย่างนั้นต่อไปพังสังคมก็พังชุมชนก็พังงานก็พังตัวเองก็สุดตัวเองก็ตกต่าเพราะว่าการที่จะออกจากงานการที่จะละออกจากอาชีพนี้ทั้งๆที่รู้ว่ามีความจําเป็นและดีไม่เอาแล้วมันอัตตาไหมข้าไม่เอา่ะ เอ้แกแต่ตัวเองไงดิเห็นแกตัวไม่สู้แล้วเว้ยถอยแล้วไม่เอาคนนั้นแพ้อย่างยับเยินไม่ใช่แพ้ธรรมดาแพ้อย่างยับเยินเพราะฉะนั้นถ้าเรารักจะสู้รักจะปฏิบัติรักจะภาคเพียนแล้วเปลี่ยนความคิดนี้ทันทีเปลี่ยนความคิดนี้ทันทีนานทนทอาตมาย้ำพูดไม่รู้กี่ทีแล้วเมื่อเราประชุมกันในหมู่ เมื่อมีมติออกมาแล้วทุกคนต้องทำตามมติในขณะทำตามมตินั่นแหละจะเหลืออัตตามานะถ้าผู้ใดไม่เก่งจริงยกตัวอย่างเช่นเออยอมทำแล้ววะแต่ไม่ให้เองเต็มหรอกแล้วมันมีตัวไหมเห็นไ้ม ก็ยอมทําไปเสียไม่ได้ไม่ให้เองเต็มหรอกยอมก็อย่างนี้ก็เห็นชัดๆอยู่แล้วอาตมาพูดอย่างนี้ก็พวกเราก็มีปฏิภานดูแล้วว่ามันอัตตาตัวนั้นมันยังอยู่ตรงๆเลยต้องถอดตัวตนทันทีเราหยุดเลยเลิกเลยไม่มีอะไรต้านเลยต่อให้เราถูกต้องฟังตรงนี้อีกทีอาตมาพูดซ้ำพู ด, ซ, พดซากยกตัวอย่างตัวเองบ่อยๆเมื่อมู่สงเห็นว่าเป็นเช่นนี้เอาอย่างนี้แล้วทั้งๆ ท, ที่อาตมาว่าใช้ยานปัญญาตัวเองนี่แหละ ว่าเอออันนี้เราถูกนะอันนี้มันดีกว่านะเราเห็นมาดีกว่าจริงจริงมันถูกต้องจริงจริงแต่มูจะเอาอย่างนี้เยเบยัสกามูส่วนรวมส่วนใหญ่ตัดสินจะเอาอย่างนี้แล้วอาตมาก็ต้องถอดตัวตนต้องยอมน่าก็เอาแล้วก็ไม่มีต้านไม่มีอะไรสนับสนุนทำเต็มที่ต้องหมดความไม่เห็นด้วยไม่มีต้องเห็นด้วย อย่างร้อยเปอร์เซนความว่าไม่เห็นด้วยเลิกความว่าอันนี้ดีกว่าไม่มีอันนี้ถูกอันนั้นผิดที่เขาทำกันอยู่ในผิดไม่ใช่ต้องอันนั้นแหละคือถูกนั่นคือสมมติสัจจะแต่ถ้าเราบอกว่าเออนั้นยังถูกอยู่เรายังถูกอยู่อันนั้นผิดแล้วเราก็ไม่ยอมนั่นคือความล้มเหลวของปรมาิสัจจะ เราไม่ได้ปรมัตดสัจจะสัจจะที่เราจะปฏิบัติตนลดละเจตจิตเจ ต, จ ต, จตสิกรูปนิพานล้มเหลวไม่เป็นใหญ่สมมุติทสัจจะมันผิดมันถูกมันสมมุติกันไปตลอดกาลนานผิดก็ตามถูกก็ตามก็คือทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยองค์ประกอบความผิดความถูกอยู่กับทั้งกาลละโอกาสเวลาองค์ประกอบ วัยของคนภูมิของคนล้วนแล้แต่เป็นองค์ประกอบทั้งนั้นที่มันไม่เท่าเทียมกันในกลุ่มเด็กพฤติกรรมอย่างนี้ของเขาในกลุ่มโตคนแก่กลุ่มคนแก่พฤติกรรมอย่างนี้ของเขาคุณจะเอาพฤติกรรมของคนแก่กลุ่มนี้ภาวะของคนแก่ต้องทำกันอยู่อย่างนี้ภาวะของหนุ่มสาวเขาทาอย่างนี้กับภาวะของเด็กนี้คุณจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาว่าต้องอย่างนี้ อันนี้ต้องอย่างนี้ถือว่าตระเริงอย่างนั้นผิดอย่างนี้ถูกไม่ได้อย่างงี้เป็นตน้นนะย้ำอีกทีหนึ่งในเรื่องของการประชุมพูดแล้วพูดอีกเมื่อประชุมมีมติอะไรแล้วเนี่ยเราต้องเคารพว่าการมาทำงานร่วมกันในพวกเราทุกคนที่มาทำงานร่วมกันคือ ผู้ที่คัดเลือกเข้ามาน่ะไม่ใช่คนข้างนอกเข้ามารวมกันยิ่งมีการประชุมมีการตัดสินตกลงอะไรต่ออะไรกันแล้วแต่แม้จะแพ้กันคะแนนเดียวนะแปดต่อเจ็ดชนะกันคนเดียวคะแนนเดียวก็ตามถือว่าเป็นมติแล้วอีกเจ็ดคนนั้นต้องถอด ต, ตัวถอด ต, ตนหมดเลยทําตามแปดคนนี้ แต่มันไม่ง่ายหรอกเจ็ดคนนี้มันจะละอัตตามานะหมดหรเห็นไหมภาวะความไม่สงบของสังคมมันเกิดขึ้นตรงนี้เห็นไหมยิ่งยี่สิบคนกับยี่สิบเอ็ดคนชนะหนึ่งคะแนนยี่สิบเอ็ดคนชนะอีกยี่สิบคนแพ้แล้วอีกยี่สิบคนนั้นมันจะถอด ต, ตัวถอด ต, ตนหมดหรึ เห็นไหมมันไม่ง่ายเพราะงั้นเราจะต้องเรียนรู้จริงๆเลย ว, ว่าเรานี่แหละจะเป็นตัวปฏิบัติและเราจะต้องเป็นยี่สิบคนนั้นต้องถอดตัวถอดตนให้ได้ต้องละอัตตามานะให้ได้เพราะสมมุติสัจจะมันไม่มีความจริงหรอกไปอ่านในถอดรหัสที่อัตมาเอาสูตรที่เกี่ยวกับว่าสัจจะมันไม่มีความจริงหรอกอัตมาจํำจำนวนไม่ได้แล้ว ที่ผู้จัดทำตัดไว้ลึกซึ้งมากเลยตอนท้ายๆเล่นแล้วละ่ะถอดรหัสซื้อถอดรหัสอัตตาอนตาอะไรนั่นอนะ่ะมันเป็นเรื่องที่สมมุติกันขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นถูกผิดดีชั่วอะไรก็ตามแต่อเมริกันเขาบอกว่าการที่จะเสียตัวของผู้หญิงเขาไม่ถือเป็นความผิด เป็นการทดลองอยู่กันสะก่อนทใไมพอใจกันไปแล้วอยู่กันไปตั้งห้าปีแล้วก็ยังยังไม่แต่งงานเลิกกันไปไม่ได้เขาก็ถือว่านี่คือการที่สูตรเป็นการที่จะต้องทดลองดูก่อนทาไม่แน่นอนก็ไม่จำเป็นจะต้องแต่งงานกันแต่คนไทยไม่ได้เอเชียไม่ได้คนละเรื่องกันเลยความถูกเอออย่างเง้ไม่เอาไม่ถูกไม่เอาแต่ทางอเมริกันเขา ไม่นี่ผิดอะไรมันก็ดีแล้วอ่ะมันดีนะถูกดีมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยแต่ทางนี่บอกเออไม่เห็นหั้มมันสมมุติก็นคนละเรื่องอหลายอย่างเยอะแยะสมมติกันต่างกันแล้วก็ถือว่าถูกทางอีกทางหนึ่งถือว่าผิดคนเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันสมมติที่ไม่เหมือนกัน เพราะงั้นเราจะต้องเรียนรู้อย่างลึกซึง้งเรียนรู้อย่างจริงๆ จ, จ, จังเลยประเด็นสำคัญที่สุดที่อยากจะบอกนหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วไปมองคนนั้นผิดคนนั้นสิผิดคนนี้สิผิดต้องแก้ไขที่คนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนั้นไม่ใช่เรา นี่คือความล้มเหลวอันเละที่สุดความล้มเหลวที่เละที่สุดคำตอบเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอย่างนั้นแล้วอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อเกิดการรนเรยกันขึ้นมาวุ่นวายไม่สงบขึ้นมาแล้วเกิดการขัดแย้งเกิดการจะแตกจะแยกวิวาท เข้ากันไม่ได้แล้วเกิดการรวนเร้แล้วนะแล้วว่าคนนั้นต้องแก้ไขคนนี้ต้องแก้ไขคนนี้ต้องแก้ไขผิดพอเกิดอย่างงี้แล้วต้องเราต้องแก้ไขจําไว้ตรงนี้ไม่ใช่คนอื่นแก้ไขแก้ไขที่เราแม้เราจะถูกต้องฟังให้ดีแก้ตรงไหนแก้ที่อัตตา ลดอัตราตัวเองทันทีเลยว่าอืมเราเลิกหยุดไม่เอาละไม่ต้องเถียงไม่ต้องอะไรเมื่อมีมติหมู่เมื่อตัวความเห็นหมู่เป็นอย่างนี้แล้วเราจบไม่ใช่หรอไม่เอาละงานนี้ค่ะไปแล้วถอนแล้วไม่เอาละนั่นแหะอัตราตัวเบ้งแล้วดังที่พูดมาแต่ต้นแล้วนั่นอัตราตัวเบ้งแล้วไม่เอาแลวย่างงี้หมู่ไม่เอางี้ไม่เอาแล้วข้างั้นขอถอนตัว ลองคิดต่อตรงนี้สิเมื่อใครก็คิดแต่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมีภาวะสักครั้งหนึ่งทุกครั้งทุกทุกคนแหละว่าฉันจะต้องถูกแล้วฉันก็จะต้องถอนตัวแล้วเหลือไหมล่ะ<ม>คนที่ทำงานร่วมกันอยู่สักหมื่นคนนี่จะเหลือไหมล่ะ<ม>ก็ถอนทีละคนทีละทีละสองคนทีละห้าคนหมดนะผัดกันถอนี่เหลือหรอ เห็นไหมว่าความล้มเหลวของการเจริญมันไม่มันมันมันเจริญไม่ได้เพราะอัตตามานะพวกเรานี่ทํางานไม่ได้ขึ้นกับเงินไม่ได้ขึ้นกับรับลาบยอดสันเริญโลกีสุกเพราะฉะนั้นกิเลสมันจึงชัดมันมีแต่กิเลสเท่านั้นออกมาซัดกันทางโลกก็ทํางานเขายอมเพราะว่าอ้าวมันต้องเอาเงินน่ะมันต้องได้เงินแม้ทำไมทําต่อไปทำไงอ่ะเงินไม่มีนี่อย่างนี้เป็นเวลา ไม่ทำก็มีกินข้าวมีกินดินมีเดินทวันมีสองพีน่น้องมีเสร็จเห็ดมีเก็บปวยเจ็บมีคนช่วยรักษาขี้หมามีคนช่วยกวาดผาาขาดมีคนช่วยชุนบุญกูไม่ทำทําไปบนไปได้ไหมนั่นคือมิจฉาวาจามิจฉาวาจา ถ้ามันบทอย่างหยาบก็ถือว่าคำหยาบบ่นอย่างทำให้คนอื่นเขาลำคาญคนอื่นเกิดฟังแล้วก็เกิดทะเลาะวิวาทกันกับสอเสียดถ้าบ่นไปแล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยกับเพื่อเจอนั่นน่ะบ่นอย่างนั้นน่ะจะเข้าตรงไหนละ่ะจะเข้าหยาบหรือ ว, ว่าเข้าเข้าสอเสียดที่จะเข้าเพื่อเจอละ่ะไอ้ที่บ่นนั่นน่ะก็ดูที่ว่าบ่นยังไง นะจําไว้ตรงนี้คนข้างนอกนะเขาไม่มีปัญห า, เ, าเขาต้องทนแล้วเขาก็ต้องปล่อยต้องยอมเขายอมนะจะกดข่มก็ตามหรือยอมเอาะชางมันเถอะไม่อัตอาก็ได้วะไม่ต้องถือตัวตนก็ได้ยอมก็ได้ในถือตัวตนก็ได้เพราะเขาจะต้องเอาลาบเอายศเอาสันเสริญเขาจะต้องไปเสพกรามเขาจะต้องเอาเงินไปเสพกรามเสพอะไรเสพอัตตาอยากได้อะไรมาสมใจตน เอาเงินฟาดหรว่าคนนั้นคนนี้ก็คือวิธีการสร้างอัตราตัวเองนั่นแหละไอ้คนนี้มาเป็นบริวารมาเอาไปเลยหาล้านเองก็ไปเลยใหญส่สนองอาตาัตราเบ่งเก่งในโลกเขาก็ทําเพื่อเงินทําเพื่อลาบทําเพื่อโลกก็ทำแต่ของเรามันถอดโลกกระทำแล้ว ไม่ได้มีโลกกรรมมาให้วุ่นวายอยู่ในนี้กันอัตมาว่าเป็นภาวะเป็นส ป, ปายะที่จริงจริงจังๆในที่นี้เป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีพร้อมที่จะได้ประพฤติปฏิบัติมันมีองค์ประกอบมีเหตุปัจจัยทำให้เราได้ปฏิบัติอย่างดีเรื่องนี้ถอดออกไปแล้วเอาโลกกรรทมาถอดออกไปได้เยอะแล้วในเนี้ย ยังเหลือแต่สั้เสรนเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวที่กวนๆอยู่บ้างยศชั้นก็ไม่กระไรหรือยศก็มีบ้างอ่าคนนี้เนี่ยเป็นหัวหน้าคนนี้เนี่ยเป็นกรรมการคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับผิดชอบอันนั้นอันนี้อะไรก็เป็นตําแหน่งหน้าที่ใหญ่ขึ้นไม่ใหญ่ขึ้นอะไรบ้างเท่านั้นเองก็ไม่แต่ก็ไม่ติดใจเท่าไหร่หรอกวเพราะว่าเราไม่ได้ไปเรื่องยศมันไม่ได้ประกอบด้วยเมื่อยศสูงอํานาจเยอะ พวกเราอำนาจไม่เคยยอมใครอยู่แล้วยศสูงอำนาจเยอะเราก็ไม่มีเราเสมอภาคกันอยู่แล้วก็ไม่ได้โดยเฉพาะยศสูงเงินขึ้นตามมันไม่มีมันไม่เหมือนโลกเขาเพราะงันก็เหลือสันเริญตัวนั้นเท่านั้นแหละมันจะหยิงพยองอยู่ในใจสร้างอัตตามานะอยู่ตัวสันเรินเท่านั้นเป็นเรื่องมากหน่อยนอกนั้นก็กิเลสอัตตามานะ ซึ่งลีลาละเอียดมันจะจัดเข้าอะไรก็ลําบากย้ำอีกทีหนึ่งเมื่อเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไปให้คนนั้นแก้ไขคนนี้แก้ไขหมู่นั้นต้องแก้ไขหมู่นี้ต้องแก้ไขผิดหมดกูแก้ไขเมื่อนั้นจะสงบและเมื่อนั้นจะเจริญ งานจะเสียไหมรับรองฟังให้ดีงานจะไม่เสียเลยใ ช, ใช่ไหมใช่ไหมเพราะงั้นต้องเกี่ยงงอนปั๊บเองต้องแก้ไขนั่นต้องแก้ไขหมู่นั้นต้องแก้ไขหมู่นี้ต้องแก้ไขข้าไม่แก้ไขต้องให้หมู่นั้นแก้ไขต้องหมู่นี้แก้ไขไม่มีการเจริญงานก็ไม่เจริญอัตตาก็ไม่เจริ์อัตตาก็เจริญไม่ใช่อัตตาไม่เจริญอัตตาก็เจริญอัตตามานะก็เจริญ ฟังได้ดีฟังธรรมะมันเพลอมันเพลอมันเผลนเผลิมันลําบากมันไม่ยัง่ายในการที่จะปฏิบัติพวกเราเนี่ยบอกแล้วว่ามันดีมันองค์ประกอบในการปฏิบัติโอโหเนสนาสนะสปายะบุคคลส ป, ปายะตัวบุคคลนี่แหละเป็นบุคคลส ป, ปายะที่ยากบุคคลที่จะมาเป็นองค์ประกอบเป็นมิตรดีสหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่บุคคลที่จะมาเอื้อในการปฏิบัติธรรมกันนี่ถ้าเป็นที่อื่นมันก็ชกหน้ากันไปใช่ไหมหรือมันก็อะไรก็ไม่รู้หยาบคายอะ่ะมันก็ไม่อยู่มันก็ไม่ได้เรื่องแล้วแต่นี่มันไม่หยาบเท่าไหร่แต่มันก็อยู่เป็นงั้นแต่ต่อทวงกันไปแล้วเราก็ไม่เจริญสังคมหมู่กลุ่มก็ไม่เจริญกิจการงานอะไรก็ไม่เจริญไปเท่านั้นเองฟังให้ดีนะย้าเป็นครั้งที่สาม เมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วไปชี้คนนั้นต้องแก้ไขคนนี้ต้องแก้ไขคนนี้ต้องแก้ไขไม่ได้ผิดหมดเราต้องแก้ไขการแก้ไขนั้นคือ อ, าอ้าวยังไม่บอกพูดไปแล้วสองครั้งแนละ้วคือการแก้ไขนั้นคือลดอัดตราไม่ใช่ไปแก้ไขสมมติสัตย์จะงานต้องเปลี่ยนอย่างนี้ไอ้นุ่นต้องทำอย่างนี้ไอ้นุ่นต้องแก้ไขไม่ใช่ ลดตัวกูของกูนั่นคือการแก้ไขถอดตัวถอดตนเลยเออเาเอาอย่างนี้แหละเมื่อสุดท้ายจริงๆมันก็คือเยโพยสิกาคือการเอามาติหมู่เอามาติความเห็นของกลุ่มเป็นใหญ่นั่นคือความถูกต้องแล้วตัวเองก็ถอดตัวตนมีคนยกตัวอย่าง ให้อัตมาฟังอัตมาก็จะขอยกตัวอย่างให้ฟังอกีกเอาอันเนี้ยมาเป็นตัวอย่างนี่สมณนะไปพูดจัดการอะไรๆเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินว่าเอาตกลงเอางี้นะอ่าใครเห็นด้วยยกมือขึ้นมีการยกมืออา่าตกลงต้องเห็นด้วยและคนหนึ่งก็บอกว่าผมยกมือให้ท่านนะแต่ท่านไม่ได้ใจผมหรอก แล้ถามว่ามีอัตราไหมนั่น น, น่ะั้นไมันจะสำเร็จอะไรอ่ะอย่างนี้เป็นต้นยอมทำงานด้วยนะอ้าก็ยอมทำงานแต่ไม่ถอดตัวตนมันก็ไม่เต็มนี่คือรูปธรรมี่ยกตัวอย่างให้ฟังรูปไอ้ที่ว่านี้ชัดเจนนะมันต้อง โ อ, อย่าเลยแล้วเราก็ได้ประโยชน์ตรงที่ลดปรมาทิตย์ จ, จัถ้ามาปฏิบัติลดอาตาัตราอย่าไปเลยทุกอย่างก็ไปเถอะถ้ามันจะล้มเหลวมันจะผิดงานที่เราร่วมกันคิดนะตกลงตัดสินจะเอางี้แล้วจะทํางี้อะ่ะถ้ามันจะผิดก็มันตายไปได้วยกันเถอะอาตมาบอกแล้วว่าพวกเรานี่ไม่ใช่คนโง่ผู้ที่มาอยู่ด้วยกันมีสภาเนี่ยนะช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินว่าอย่างนี้จะเอาอยัางไงาจะเอายังไง สุดท้ายมันคนเคี้ยวขึ้นมาก็มีสองอย่างจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองอมันจะผิดหรือมันจะถูกก็ว่ากันไปแต่อัตมาว่าพวกเราไม่ใช่คนโง่มันจะตัดสินอะไรผิดมันถูกตามกาละถูกตามองค์ประกอบเป็นครั้งคราวอ่ไม่จะถูกนิดนึงถ้าส่วนใหญ่เขาเห็นถูกไปร่วมกันแล้วอะ่ะ เราเอาอัตราขาองเราไปตัดสินต่างหากเรางานการสัรจจะของสมมติสัจจะมันไม่ใช่ว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าถูกณเวลานี้ ห, นนหมู่กลุ่มเห็นแล้วด้วยเวลานี้ทําได้อถ้าลักษณะงานมันจะผิดจริงๆมันก็ไม่เป็นไรคนเข้าเราก็ผิดได้ถ้ามันจะเสียหายตัวงานมันเสียหายมันก็เป็นได้ทําไงได้เมื่อ น, นันโง่พร้อมกันโดยกันชนะคนโง่พร้อมกันชนะก็ ทำไงได้เมื่อกลุ่มคุณมีคนโง่ามากและคนโง่กับพวกคุณเล่นชนะคุณก็ต้องรายอมรับวิบากนั้นใช่ไหมอ่าก็กลุ่มก็คุณเองอ่ะกลุ่มเมื่อคุณเองอ่ะแล้วพวกคนมีคนโง่ามากกว่าคนฉลาดแล้วก็กลุ่มคนโง่โบดชนะแล้วก็ต้องยอมเพราะเรามีคนโง่มันก็ต้องเสียหายให้รู้เสีย่งว่าเองล้มเหลวงานของเองเสียหายนี่เองผิดนะ